เรื่องนายสุมณะณามลาการอันว่าพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลูวันทรงปรารบในมาลาการชื่อสุมนณะดังได้สดับมาในมาลาการนั้นบำรุงด้วยพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิแปดธนานแต่เช้าตรู่ทุกวันยอมได้วันละแปดกระหาปปณะนะต่อมาวันหนึ่ง เมื่อนายมาลาการถือดอกไม้เข้าไปสู่ประตูพระนครพระผู้มีพระภาคอันมีภิกษุสงหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงเปล่งฉับพันรังสีทั้งหประกอบด้วยสีเขียวเข้มสีเหลืองสีขาวเงินแท้สีแดงเป็นต้นสเสด็จบินธบาาในกรุงราชคฤห์ด้วยพระพุทธานุภาพและพระพุทธลีลาอันใหญ่ครั้นนายสุมณเห็นอัตภาพพระผู้มีพระภาคประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะสสสอง และเซริอนุพยัญชนะแปสิบมีจิตเริ่มใส่แล้วคิดว่าจะทำการบูชาพระผู้มีพระภาคอย่างไรเมื่อไม่เห็นสิ่งอื่นจึงคิดว่าจะบูชาพระสัสดาด้วยดอกไม้นี้พลางคิดว่าดอกไม้นี้สำหรับบำรุงพระราชาประจำเมื่อพระราชาไม่ส่งได้ดอกไม้นี้จะพึงจองจำหรือขับไล่เราเสียจากแวนแควนเราจะทำอย่างไร แม้พระราชาได้รับการบำรุงด้วยดอกไม้นี้เราก็จะได้รับพระราชทานทรัพย์สักว่าเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้เท่านั้นแต่การบูชาพระสัสดาจะเกื้อกูลความสุขแก่เราในกฎกับเป็นอนเนกทีเดียวจึงคิดสละชีวิตของตนแก่พระตถาคตเจ้าคิดดังนั้นก็มีใจร่าเริงบันเทิงเบิกบานมีจิตแช่มชื่นบูชาพระศ ส, สดาแล้ว ครั้งที่หนึ่งนายมาลาการซัดดอกไม้สองกำรรขึ้นไปเบื้องบนแห่งพระตถาคตก่อนดอกไม้นั้นได้ตั้งเป็นเพดานเบื้องบนพระเศียรครั้งที่สองเขาซัดดอกไม้อีกสองกำรรไปทางเบื้องขวาดอกไม้นั้นได้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางเบื้องพระหัตถขวาครั้งที่สามเขาซัดดอกไม้สองกำรรไปทางด้านเบื้องหลังดอกไม้นั้นได้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระปฤิศาง ครั้งที่ 4, สี่เขาสัตดอกไม้สองกำรรไปทางเบื้องซ้ายดอกไม้นั้นได้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์ายดอกไม้แปดธนานแ8ดกำรรแวดล้อมรตัตถาโคตในฐานทั้งสี่ด้วยประการชนนี้มีช่องทางพอให้เป็นประตู ด, ดำเนินไปข้างหน้าเท่านั้นขั้วดอกไม้ได้หันเข้าในหันกลีบออกข้างนอกสเสด็จไปแล้วดุดแวดล้อมด้วยแผ่นเงินไม่แยกกัน ไม่ตกลงย่อมไปกับพระศัสดานั่นเถี่ยวย่อมหยุดในที่ประทับยืนรัศมีราวสายฟ้าลับตั้งแสนสายออกจากพระสรีระของพระศัสดาพระรัสมีที่ออกจากพระกายนั้นออกทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งข้างขวาข้างซ้ายทั้งเบื้องบนพระเสียรพระรัสมีกระทำประทักษิณสามรอบแล้วรวมเป็นพระรัสมีมีเท่าลำตาล พุงตรงข้างหน้าทางเดียวนครทั้งสิน้นเรื่องลือแล้วมหาชนภายในนคร9ก้าโกดภายนอกนครเก้าโกดรวม18ปดโกรทั้งชายและหญิงนำพิกษาออกมามหาชนบรรลือศีหนาทำการยกท่อนผ้าขึ้นตั้งยกขึ้นข้างหน้าบูชาพระสัสดาพระสัสดาจะ ส, จะส่งนำขุนของนายมาลาการให้ปรากฏ ได้เสด็จเที่ยวไปในพระนครประมาณสามขาวุฒิคือประมาณ12กิโลเมตรในมาลาการมีปิติเต็มด้วยวันนะห้าเที่ยวไปกับพระสัสดาได้หน่อยหนึ่งถวายบังคมพระสัสดาแล้วถือเอากระเช้าเปล่าไปสู่เรือนถูกพัญญาถามซักไซถึงดอกไม้ในสุมาณบอกเรื่องราวทั้งหมดให้พัญญาฟังนางเป็นหญิงอันพานไม่เลื่อมใสในพระปาฏิหาร ด่าเขาแล้ทิ้งเขาแล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าได้ด่าสามีแล้วทิ้งเขาแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้วพระราชาทำเป็นกลิ้วว่าจะทำกิจอันสมควรแก่นายมาลาการครั้นหญิงนั้นกลับไปแล้วพระราชารีบเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงรับบาดประสงค์จะเชิญเสด็จสู่พระราชมนเทีย พระสัสดาทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งในพระลานหลวงจึงรับสั่งให้กระทำป ร, รามโดยเร็วพระสัสดาประทับนั่งกับหมู่ภิกษุแล้วเมื่อพระสัสดาได้แสดงคุณของนายมาลาการให้ปรากฏที่พระลานหลวงพระราชาทรงอังคาาภิกษุทรงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันปราณีตพระศ ส, สดาทรงกระทำอนุโมทนา ได้เสด็จไปสู่วิหารพระราชาตามส่งเสด็จกลับแล้วรีบใ ห, หาในายมาลาการแล้วตรัสชื่นชมเขาว่าเจ้าชื่อว่ามหาบุรุษได้สละชีวิตบูชาพระสัสดาแล้วพระราชาทานสิ่งของหมวด8แห่งวัตถุอันมีช้างมา้าทาสีทาสาเครื่องประดับชุดใหญ่อย่างละแปดกหาปณะแปดพันนาวีแดนางจากราชาตระกูล และบ้านสวยอีกแปดตำบลพระศาสดาตรัสกับพระอา น, นุ์ว่าอานนุ์เธออย่าได้กําหนดว่ากรรมมีประมาณเล็กน้อยอันในมาลาการนี้กระทําแล้วก็การที่ได้สละชีวิตบูชาเราเขายัางจิตให้เลื่อมใสในเราด้วยอาการอย่างนี้จะไม่ไปทุกขติตลอดแสนกับในมาลาการจะดํารงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดแสนกับ นี่เป็นผลแห่งกรรมนั้นภายหลังเขาจะเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้านามว่าสุมนณะพระศาสดาสเสด็จถึงวิหารเข้าไปสู่พระคันธกุฎีดอกไม้เหล่านั้นตกลงที่ซุ้มถาวรแล้วทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้อิ่มเอิบมีใจดี ย่อมสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแหละอันบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดีครั้นจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแกสัตว์ 84,000 ี่ันแล้วดังนี้แหละ